ในพระพุทธคุณเน่ยนะในพระพุทธคุณคือคุณคุณที่เป็นคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือพระพุทธคุณเก้านะเป็นพระอรหรันต์ไกลาจากกิเลสปราสรู้ชอบได้โดยพองเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้จำเนกแจกแจงพระธรรมรัตนะหรือว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารธิสาธาเทวมนุษย์สานังพุทโภพขวาอันนี้เป็นทั้งเก้าเนี่ยนะทั้งพุทธคุณทั้งเ้าบทที่กล่าวไปเนี่ย อันนี้ท่านอธิบายว่าเป็นพระสัพพัญยูคุณคุณคือคุณสมบัติของพระสัพพัญยูคือพระคุณของผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เร า, เ, าเรียนมาถึงเรื่องว่าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเนี่ยนะเนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความประพฤติข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพาน ซึ่งพระองค์ก็ได้ดําเนินข้อปฏิบัติอันนั้นจนได้ตรัสรู้พระนิพพานนั้นพระองค์จึงเป็นผู้มีจารณะคงที่จารณะของพระองค์ที่มีอยู่หนึ่งพระองค์ถึงพร้อมด้วยศีล 2. พระองค์มีอินทร์สังวรสาพระองค์มีโภชเนมะตันยุตาสพระองค์มีชาคริยานุโยค 5. พระองค์มีศรัทธา6พระองค์มีหิริ7พระองค์มีโอตตะปะ8พระองค์เป็นพหูสูตร เพระองค์มีวิรยิยะ10พระองค์มีสติ11มีปัญญาแล้วก็12บสองก็คือปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานและจตุทชฌานนั่นเองนี่เราก็ฟังเรียนมาถึงพระพุทธคุณบทว่าพระองค์เป็นพหูสูตรเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพหูสูต ร, รหูสูตรนั้นมีอยู่สองอย่างคือพหูสูตรแบบผ่านหูกับผ่านใจ นะคิดง่ายๆว่าผ่านหูกับผ่านใจผ่านหูก็แปลว่าฟังมามากผ่านใจก็แปลว่าใคร่โควนมากพิจารณามาก น, นะพะหูสูตรโดยการฟังกับพหูสูตรโดยการพิจารณาอย่างผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายเนี่ยนะถือว่าเป็นพวกพหูสูตรโดยการฟังฟังแล้วก็พิจารณาตามที่ฟังอันนี้เป็นลักษณะของภาษาวกทั้งหลายทั่วๆไป มันลักษณะของผู้ที่เป็นพหูสูดโดยการฟังนั้นสามารถทรงธรรมที่ได้สดับมาแล้วหมายคือว่าทรงจําไว้ได้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยคล่องปากขึ้นใจหมายคือว่าเป็นสิ่งที่ฟังแล้วก็อยู่ที่ปลายลิ้นะนะเหมือนกับว่าอยู่ที่ปลายลิ้นอยากจะพูดเมื่อไหร่ก็พูดได้เหมือนคนที่ชํานาญในบทเพลงเนี่ยนะเรียกว่าพร้อมที่จะไหลเมื่อจะร้องที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็สะดวกไม่ติดขัด พันพว้นี้จะรักษาเอาไว้ได้รักษาเอาไวท้ที่ใจเนี่ยนะสามารถที่ทรงเอาไว้ได้สั่งสมทำที่ได้สลับมาแล้วเพราะฉะนั้นทำผู้ที่สั่งสมทำ ม, มาดีหรือว่าทรงจําไว้ดีเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะจําทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะผู้นี้จะรู้ว่าเบื้องต้นคืออะไรท่ามกลางคืออะไรปลายสุดท้ายคืออะไรเพราะั้นเบื้องพูดเบื้องต้นรู้แล้วว่าท่ามกลางและที่สุดคืออะไรถ้าพูดตรงกลาง รว่าบื้องต้นคืออะไรและที่สุดควรอยู่ที่ไหนเนี่ยนะถ้าพูดตอนปลายท่ามกลางและเบื้องต้นอยู่ณนะจุดใดพรันเขาจะดมมองสามตำแหน่งนี้ก่อนหลักก็คือมองเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอะไรคือเบื้องต้นอะไรคือท่ามกลางและอะไรคือที่สุดพันคําสอนอ น, นั้นเนี่ยจะต้องเป็นการประกาศเบื้องต้นประกาศท่ามกลางอย่างทั้งโดยบทพยัญชนะอักษรเนี่ยจะต้องไม่ติดไม่ขัด นนะไม่มีการสับสนผู้ที่เป็นพหูสูตรเนี่ยนะผู้ที่ทรงจำธรรมเอาไว้ดีเนี่ยพวกนี้จะไม่พูดสับสนคือจะพูดมีลำดับมีขั้นมีตอนกล่าวว่าสามารถที่จะจำแนกเนี่ยนะเหมาะตามจริตเหมาะตามอัธยาศัยไม่ทำบทพยัญชนะและอัฏถะให้สูญเสีย้นสามารถประกาศทั้งศีลสมาธิและก็ปัญญาเนี่ยนะ ที่สมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและถ้อยคำอธิบแล้ว่าเนื้อหาถ้อยคำก็คือพยัญชนะเนี่ยนะบทอักขระอาการนิรุติเป็นต้นเนี่ยมันสามารถที่จะยกมาแสดงแล้วก็ไม่มีขยะอยู่ในนั้นเว้นไว้แต่บางอย่างเอามาเพิ่มเป็นคำสละสลวยแล้วก็เป็นการประกาศจบลงที่การบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะเป็นการประกาศพ้นจากทุกข์จริง นั้นธรรมะที่บุคคลทรงจําแล้วเนี่ยนะควรจะทรงจําแบบเรียกว่าจบลงที่บรรลุพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นประโยชสารนั้นการประพฤติการปฏิบัติทั้งหมดจบลงที่การตรัสรู้พระนิพพานนั้นข้อปฏิบัติผู้ที่ทรงจําคําสอนหลักการปฏิบัติก็เป็นคําสอนที่จบลงที่การบรรลุพระนิพพานบุคคลเหล่านี้ทรงจําไว้ได้สั่งสมด้วยวาจาตามเพ่งด้วยใจ แล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิถ้าอย่างพหูสูตรธรรมดา ท, ทั่วไปเนี่ยนะบุคคลที่เป็นพหูสูตรชั้นชั้นสูงเลยเนี่ยอย่างเช่นพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยนะเป็นพหูสูตรแบบพุทธพจน์ทุกบทเนี่ยพระสารีบุตรมาเพ่งหมดมาไคร่ครวนและจำเนกแสดงออกมาความเป็นพหูสูตรของพระสารีบุตรดูจากอะไรดูจากคมพีมหานิเทศจุมหานิเทศ พระไตรปิฎกฉบับที่เรียนใช้อยู่ก็คือเล่ม65 66จำเนกเรียกว่าทุกข์ขำเนี่ยามาแจกอย่างพิสดารเพราะผ่านการตรึกมาเป็นอย่างนี้ผ่านการเพ่งผ่านการไข้ครัวรแล้วมาแจกทุกบททุกบททุกบททุกบ ท, ท, กบทอย่างพิสดารทีนี้ทั้งจุปมหานิเทศทั้งจุลานิเทศเนี่ยท่านอาศัยหลักการอะไรจึงจำเนกอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าท่านมีปฏิสัมพิทานี่ยนะ เพราะท่านมีมีปฏิสัมพิธารองรับเพราะเนื่องจากท่านมีปฏิสัมพิธารองรับท่านจึงสามารถใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้ได้ถามว่าการที่ท่านมีปฏิสัมพิทาเนี่ยปฏิสัมพิธาท่านได้มาจากไหนภาษาริบุตรเนี่ยแตกฉานพระพิธรรมเป็นอย่างดีเนี่ยนะแตกฉานพระพิธรรมปิดอกเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอภิธรรมปิดอกจึงเป็นบาตรฐานของปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทาเป็นเหตุให้ท่านจำแนก อันนี้เฉพาะที่ท่านแจกเอามาฟังพอเป็นตัวอย่างไม่ได้กล่าวว่าภาษาริบุตรมีปัญญาเท่านี้ไม่ได้หมายคขาว่าอย่างนั้นปัญญาของภาษาริบุตรหาประมาณไม่ได้นี่นะปัญญาของภาษาริบุตรนั้นเป็นรองก็เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเม็ดทรายที่ฝังแม่น้ำคงคาตั้งแต่บเบื้องต้นเนี่ยนะเรียกว่าต้นน้ำอ่ะจนถึงทะเลเนี่ยเรานับได้ไหมว่าเม็ดทรายกี่เม็ด เขาไม่นับกันเป็นเม็ดแล้วเขนับเป็นลูกบาศกกิโลเมตรเนี่ยนะลูกบาศกกิโลเมตรอนะไม่ใช่ลูกบาศกเมตรอนะ่ะเยอะมากอ่ะ น, นะชันใดภาษาริบุตรก็มีปัญญาเนี่ยนะยิ่งกว่าเมล็ดทรายวางนัะ้ปัญญาท่านมากขนาดนั้นถ้าเปรียบแม่น้ําที่ไหลจากโน่นอะแม่น้ําเบื้องต้นไหลไปถึงทะเลเนี่ยคำนวณได้ว่าแม่น้ําทั้งหมดนะั้นมีกี่ลูกบาศกลลิตรลูกบาศกเมตรเนี่ยนะมีกี่มีกี่ทั้งหมดปริมาณเท่าไหร่ อันนะั้นสิ่งเราเนี่ยคำนวณได้แต่ปัญญาพระสารีบุตรเป็นต้นคำนวณไม่ได้พราปัจคนที่มีปัญญาเยอะๆเนี่ยพอฟังพุทธพจน์หนึ่งคำคิดได้ขนาดไหนท่านบอกว่าพระสารีบุตรฟังธรรมฟังธรรมจากพระอัสสชิเนี่ยนะท่านคิดได้เป็นพันในอันนะท่านฟังคิดได้เป็นพันในไม่ใช่ว่าท่านเข้าใจแค่นในเดียวะนะของเราแค่จําได้บทเดียวก็โก้แล้วเนาะโอยอ่านสมมติถ้าท่องหนังสือท่องพระไตรปิฎกได้วันละหน้าวันละหน้านะี่โก้เยอะนะแต่แหม น่าจะได้แล้วยังไม่ได้สักทีน้องเรืองเนาะดูทำมาจากนี่มันทั้งสามเดือนจะสามเดือนยกกําลังสองแล้วมั้งเนี่ยนะดูท่าแล้วไม่ได้สักทีเนี่ยนะมันก็มันก็อย่างนี้แหละว่าความสติ ป, ปัญญาเนี่ยมันต่างกันเยอะพระสารีบุตรท่านมีปัญญามากแต่ถ้าเทียบกับพระผ้าพระพุทธเจ้าเราหูห่างกันเยอะพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระหูสูตรอย่างแท้จริง พหูสูตรแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทั้งสมบูรณ์ด้วยการฟังและก็ด้วยการพิจารณานี่ลองมาพิจารณาดูว่าถ้าพระองค์ไมาไข่ควรวนมากๆเนี่ยนะพระองค์เอาอะไรมาสอนไม่ใช่นั่งนิ่งๆแล้วปัญญามันสว่างโพ่งขึ้นมาแล้วก็เทศไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่แน่นอนแต่ผ่านการใิไข่ครควนมาเป็นเป็นอย่างดีแล้วก็อย่างละเอียดครบถ้วนอย่างสังเกตดูในพระปุพาจริยาคุณเนี่ยนะที่พระองค์สร้างบารมี พรองสร้างบารมีทั้ง10คือทานศีลเนคคำมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยนะบารมีสิบอุปปารมี1ิบปรมัทบารมี ส, มมสิวันนั้นเนี่ยท่านพิจารณาเองอันนี้ถือว่าความเป็นพังหูสูตรเนี่ยนะสำหรับผู้ที่จ ะ, ะได้รับพุทธพยากรที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีปัญญาที่พิจารณาบารมีที่เป็นข้อปฏิบัติให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ท่านพิจารณาเลยว่าสิ่งที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างคิดได้เองพิจารณาได้เองอันนี้เป็นความเป็นพหูสูตรของพระองค์พิจารณาเลยว่าเห็นว่าทางทานนี่แหละเป็นเป็นทางใหญ่เป็นทางใหญ่มากเปรียบเหมือนะทางของ เ, อเดินทางเนี่ยนะใช้เวลาสี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทางที่จะให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทางอันนั้นคืออะไร ก็เหมือนกับเปรียดถ้าเป็นเป็นถนนเนี่ยก็มาตีเป็น10เลนเลยนนะเลนที่1คทานถนนเส้นเดียวนี่แหละเลนที่2ศีเเลนที่สเนคขมะเลนที่4ปัญญาเลนที่หวิริยะ6ขันติ7อธิฐาน8มเมตแปดสัจจะ9เมตตา10อุเบกขาแล้วก็มี3ชั้นด้วยกัน3ระดับชั้นอะไรนะเป็นทานระดับทานบอุปาานบา ร, รมีระดับอุบะ บารมีธรรมดาอุปปารมีแล้วก็ปรมัทธบารมีจะต้องยกตัวขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทีนี้ถามว่าท่านเดินตามทางหรือว่าท่านสร้างทางกันแน่ถ้าคิดให้ดีเนี่ยนะท่านสร้างทางเพราะอะไรเพราะต้องสร้างทานสร้างศีลสร้างเนกขมมะสร้างปัญญาสร้างวิริยะสร้างขันติสร้างสัจจะสร้างอธิฐานสร้างเมตตาสร้าง อุเบกขาเป็นถนนสายตรงมุ่งสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเราสร้างถนนเนี่ยถ้าคิดแบบประเมินธรรมดา ท, ทั่วไปเนี่ยนะจะต้องใช้เม็ดหินเม็ดทรายเนี่ยเท่าไหร่ใช้ดินใช้หินใช้อิฐใช้ปูนใช้ทรายใช้ยางมาตอยเป็นต้นเนี่ยนะจะต้องปริมาณเท่าไหร่จึงมาเป็นถนนเส้นหนึ่งนะนะถ้าอย่างผู้ที่ประเมินถนนเนี่ยนะจะรู้เลยว่าไม่ใช่ธรรมดา กิโลแล้วทุกวันนี้กิโลแล้วหลายเป็นล้านเนหลายล้านเ น, นี่ยนะถ้ายิ่งเป็นแบบเป็นดินธรรมดาด้วยแล้วมาถมให้เป็นถนนเนี่ยถนนล้เส้นและหลายเป็นเป็นสิบล้านเนี่ยนะถ้าเป็นถนนแบบประเภทสิบเลนเนี่ยนะกิโลแล้วหลายสิบล้านทีนี้ถามว่าใช้ทุนมหาศาลขนาดนั้นแต่นี้เส้นทางคือบารมีสิบเนี่ยนะที่จะต้องสร้างถนนเนี่ยสร้างอย่างเงี้ยตลอดสี่อสงไขยแสนกับ แล้วก็ตอนแรกไหมก็ถมมายกมาเครียกว่าถมแบบเคยเห็นก็ขุดถนนสมัยก่อนไหมสมัยก่อนเขามาเคยรับจ้างขุดถนนเขาบอกว่าอะไรนะประเภทแบบเขาเขาเอาถนนไปต่างต่างจังหวัดใช่ไหมก็ให้งบประมาณไปตามต่างจังหวัดทีนี้ให้ประชาชนได้มีงานทําเขาก็จะให้พวกประชาชนเนี่ยมาขุดถนนเป็นลูกบาทเมตรเนี่ยนะเป็นลูกบาทเมตรแล้วก็ขุดมาถมแบบอินเดียนะไปเห็นอินเดียจะมีพวกชาวบ้านเขาไปทําถนนนะพวกนี้เข า, เรากระจายงบประมาณไปสู่ ชนบทก็เลยเคยไปขุดถนนเนี่ยนะแม้กว่าจะได้แต่ละปุ่งกีเนี่ยยกขึ้นไปเทกลางถนนนี่แผลเนี่ยนะเทไปปุ่งกีหนึ่งเมันไม่มีวี่แววว่าจะเป็นถนนเลยเนี่ยนะิบปุ่งกีกว่าแล้วเนี่ยนะโอ้หมดลึกมากใหญ่มากกว่าจะเป็นรูปร่างเป็นถนนมาได้เนี่ยนะแล้วก็ถึงอย่างนั้นก็ต้องเอารถมาขนมามาดันมาอะไรอีกจึงกว่าจะเป็นรูปร่างเป็นเป็นถนนทีนี้คนที่สร้างถนนแบบนี้เนี่ยนะ ่ถ้าพูดเหตุผลทั่วไปเนี่ยคนที่ขุดถนนทําถนน อ, นททนอนย่างนี้เงือท่วมทั้งนั้นเลยนี่ถ้าเราคิดถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าทําเงือท่วมหมดเลย น, นะนะทั้งพวกทั้งคราบเหงือคราบเลือด ค, คราบน้ําตาเนี่ยนะอวัยวะอะไรชิ้นส่วนร่างกายมีร่วมหมดไปเท่าไหร่เนี่ยนะเพื่อที่จะมาสร้างทานศีลเนคธรรมะปัญญาวิรยิยะแต่ถ้าเป็นคิดแบบง่ายๆเออก็ให้ทานมีอะไรก็ให้ไป สมาทานศีลธรรมทั้งจารีตวารีตเนคธรรมะ ก, กับธรรมภาวะจิตให้ระดับสูงขึ้นไปแล้วก็โดยที่ไม่วิจัยอะไรเลยบอกไม่ตรงกันข้ามเป็นนักวิจัยอย่างละเอียดยิบท่านสามารถคิดได้ว่าอะไรคือฐาน